โอวาสีท่านเหลียวฟานโอวาสข้อที่หนึ่งการสร้างอนาคตพ่อนั้นกำพร้าท่านบิดามาแต่อายุยังไม่ถึงยี่สิบท่านย่าของลูกในเวลานั้นก็มีอายุมากแล้วท่านได้บอกให้พ่อ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 พ่อได้บันทึกไว้ทุกคำเพื่อกันลืมในการต่อมาคำพยากรของท่านปู่เท่าคงก็ยังคงแม่นยำอยู่เสมอมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านพยากรณไว้ว่าจะได้รับพระราชทานข้าวหลวงครบจำนวนหนึ่งแล้วจึงจะได้สอบขั้นสุดท้ายเพื่อเตรียมตัวเข้าเมืองหลวงนั้นยังไม่ทันที่พ่อจะได้รับพระราชทานข้าวหลวง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 จะมองไว้ว่าไม่ดีอย่างไรแต่พลังแห่งกุศลธรรมนั้นใหญ่หลวงนักสามารถพลิกความคาดหมายของโหราศาสตร์ได้คนจนก็กลายเป็นคนรวยได้คนอายุสั้นก็กลายเป็นคนอายุยืนได้ในตานองเดียวกันคนที่สร้างอากุศลธรรมอย่างหนักเอาไว้จะตาชีวิตก็ไม่สามารถผูกมัดเขาไว้ได้เช่นกันแม้จะถูกลิกิตมาว่า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 จะ แ, แสแวงหาได้อย่างไรถ้าไม่มีผู้หยิบยื่นให้ท่านอินกุเทระตอบเพราะว่าท่านแมงจือ้อกล่าวไว้ไม่ผิดรอกพ่อเองเนะี่เกิดใรคําสอนของท่านผิดไปท่านหลักเจเคยกล่าวไว้ว่าความสุขความเจริญทั้งมวลเกิดขึ้นที่ใจก่อนทั้งสิน้นการสแสวงหาใดๆก็ตามต้องเริ่มต้นที่ใจก่อน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 กลับดิ้นรนคิดแสแวงหาจากภายนอกแม้จะแสแวงหามาได้ก็เป็นเพียงได้ตามชะตากำหนดเอาไว้เท่านั้นไม่ใช่ได้เพราะความดีของเราเพราะการแสแวงหาจากภายนอกนั้นอาจจะต้องใช้ความพยายามในทางที่ถูกบ้างผิดบ้างไม่ดีเลก็เอาเด็กกนได้ด้มนก็เอาเด็กขถาแสแวงหาด้วยแรงขับของกิเลสตัณหา จึงไม่ทันได้คำนึงถึงศีลธรรมเป็นการศูนย์เปล่าทั้งสองทางทางธรรมก็เสียหายแล้วทางโลกก็เสียหายอีกการสแสวงหาจากภายนอกนั้นจึงไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรท่านถามเพราะว่าท่านผู้เท่าคงพยากรณ์ไว้ว่าอย่างไรบ้างพ่อก็เล่าให้ท่านฟังอย่างละเอียดท่านถามเพราะว่าเธอลองทายดูเองสิว่า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 ก็จะทำอย่างนั้นคนเช่นพ่อเนี้ยไม่สมควรมาสอบ เ, เป็นคุณนางกับเขาเลยแล้วพ่อกษัติยายายท่านฟังถึงเหตุผลที่คิดว่าตนเองไม่สมควรมีบุตรจริงดังค้ำพยากรของท่านพู้เฒ่าคงให้ท่านอินกุเทระฟังต่อไปว่าอันธมดานิสัยของพ่อนั้นชอบความสะอาดมากเกินไป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 เต็มไปด้วยอัศมิมานะการถือเขาถือเราถือดีไม่ยอมลงใครฉะนหนจักมีบุตรได้แลนี่คือเหตุผลประการที่สามการพูดมากทำให้สูญเสียพลังพอโอดพูดมากไม่ได้ทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงนี่คือเหตุผลประการที่สี่ อยู่ได้โดยพลังลมปราณรายการแสดงออกของจิตคือบ่งทั้งความมีชีวิตชีวามีความสมดุลของร่างกายและจิตใจหรือไม่รวมเรียกว่าชีวิตตินรียอันเกิดจากธาตุทั้งห้าคือธาตุดินธาตุทองธาตุน้ําธาตุไม้และธาตุไฟธาตุลมนั้นแฝงอยู่ในทุกธาตุ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 ก็คงไม่รู้จักหมดเป็นแน่ท่านอินกุเทระฟังพ่อพูดเสยืดยาวจึงกล่าวว่าไม่เพียงแต่พ่อไม่สมควรเข้าสอบเป็นคุนนางเท่านั้นยังมีอีกหลายสิ่งที่พ่อไม่สมควรจะได้รับด้วยคนในโลกนี้แม้จะอยู่ในภาวะแวดล้อมเดียวกันในเวลาที่ไม่ต่างกันแต่บางคนได้รับจะสิ่งดีมีสุข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 หารู้ไม่ว่าก็ทุกสิ่งเกิดจากใจตนเองแล้วทำํำไมตนเองจะแก้ไขไม่ได้ลราคนที่ทําบุญให้ทานมากมายนั่นเขากําลังสร้างเหตุปัจจัยเพื่อความเป็นเศรษฐีมีเงินพันชั่งร้อยชั่งตามความมากน้อยติดเขาทําอยู่บางคนจนถึงขนาดอดตายนั่นก็เพราะเขาสร้างเหตุปัจจัยมาเช่นนั้น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 ติดต่อต่อกันก็ย่อมมีบุตรหลานที่ดีสามารถสืบสกุลในยืดยาวได้ถึงสิบชั่วคนผู้ที่ทำดีติดต่อกันเพียงสองสามชาติก็ย่อมจะมีบุตรหลานสืบต่อไปสองสามชั่วคนเท่านั้นผู้ทีมีบุตรเลยก็จะเห็นได้ว่าไม่เคยสั่งสมคุณธรรมความดีที่เป็นชิ้นเป็นอันมาบ้างเลย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 ยังเป็นไปตามลิขิตของดินฟ้าทำไมกับชีวิตที่กอบด้ดยคุณธรรมความดีงามฟ้าดินจะไม่อย่างรู้ได้เรอโชคชะตาที่ฟ้าดินลิกิตมามนุษย์ยังพอหลีกเลี่ยงได้แต่เคราะห์กรรมที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์เองก็จะหนีไม่พ้นเลยมีโครงบทหนึ่งได้กล่าวไว้ว่ามนุษย์ต้องคอยสำรวจตนเองเสมอ เพื่อจักได้ดำเนินชีวิตตามคันลองครองธรรมเมื่อกระทำแต่ความดีงามแล้วใส่ฉะไหนจักไม่ได้รับความดีอันเป็นผลหล่าความดีความชั่วจึงล้วนแต่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของมนุษย์เองทั้งสิน้นการที่ท่านผู้เท่าคงพยากรณ์ไว้ให้นั้นเป็นเพียงชะตาชีวิตที่ลิกิต จ, จากฟ้าดินย่อมมีทางแก้ไขได้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 ความมีชื่อเสียงก็จะแบ่งความดีงามไปเสียมากบุญก็จะน้อยลงเพราะได้ผลในปัจจุบันไปเสียบ้างแล้วแต่ถ้าทำแล้วไม่อ้วกอวดในความดีนั้นผลละบุญก็จะเต็มดุจวารีที่เปี่ยมฝั่งใครเล่าจะแย่งบุญเขาเราไปได้นอกจากเราจะยินดีแบ่งบุญให้เขาเองการทำดีเช่นนี้มีจะไม่ได้เสวยผลแห่งความดีนั้น คำพีโบราณเชื่อว่าอี้จรงก็เด่นเน้นถึงความดีความชั่วไว้อย่างละเอียดละออสอนคนดีให้รู้จักรลบหลีกจากกรรมชั่วสั่งสมแต่กรรมดีเพื่อจกได้ผลดีตอบแทนหากว่าลิขิตของชะตาชีวิตเป็นสิ่งแน่นอนแล้วใซจจกหลีกเลี่ยงกรรมชั่วสั่งสมแต่กรรมดีได้อย่างไรในหน้าแรกของคมภี ก็กล่าวไว้ว่าครอบครัวใดสังสมแต่ความดีงามไม่เพียงแต่ผู้หน้าครอบครัวเท่านั้นที่จะได้เสวยผลแห่งความดีนั้นแม้แต่ลูกหลานเลนหลนก็จะพร้อยได้เสวยผลแห่งกรรมดีนั้นด้วยวิเคราะห์ดูให้ดีแล้วจะเห็นได้ว่าชะตาชีวิตไม่สามารถควบคุมมนุษย์ไว้ได้เสมอไป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 และบรรพชนของพ่อท่านอินกุเทระเห็นพ่อมีความตั้งใจทำความดีถึงป่านนี้จึงเอาตัวอย่างบัญชีกรรมดีกรรมชั่วมาให้พอดูแล้สอนพ่อให้จดบัญชีประพฤติกรรมของตนเองแต่ละวันอย่างละเอียดถี่ถ้วนโดยไม่เข้าข้างตนเองแต่เป็นกรรมดีก็จดไว้ข้างหนึ่ง ถ้าเป็นกรรมชั่วก็จดไว้อีกข้างหนึ่งเหมือนบัญชีรับจ่ายต้องนำกรรมชั่วไปลบกรรมดีให้เหลือกรรมดีสามพันครั้งโดยไม่มีกรรมชั่วที่ไม่ได้หักกลบลบนี่แล้วจึงจะนับว่าทำความดีได้ครบสามพันครั้งต้องนำบัญชีมาทบทวนดูทุกวันเพื่อเตือนใจให้รู้ว่าในวันหนึ่งวันหนึ่ง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 ดังที่ได้อธิษฐานไว้แล้วสอนพ่อโสดมนบริกรรมคาถาเพื่อช่วยให้มีจิตมั่นคงโดยอาศัยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยเป็นสรณะเพื่อํำอธิษฐานหนักแน่นสำเร็จผลเร็ววันท่านยังเล่าให้พ่อฟังต่อไปว่าผู้ที่ชำนาญการวาดหูคำว่าหูนี่หมายถึงว่าลงเลขกลงยัน ได้กล่าวไว้ว่าหากมนุษย์ไม่รู้วิธีวาดหูได้ถูกต้องแล้วใสจะถูกผีสางเทวดาโหาระยะ่อเอาได้เพราะฉะนั้นการวาดหูก็ต้องหัดให้เป็นเอาไว้เคล็ดลับของวิชานี้อยู่ที่ต้องทําใจให้เป็นเอกคาตาให้ได้เท่านั้นเมื่อเริ่มจับผู้กันก็ต้องหยุดความรู้สึกนึกคิดใดๆ ไ, ไม่วอกแวกทาจิตให้หนึ่ง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 ก็ต้องเขียนในจบกระบวนการโดยไม่หยุดชะงักไม่ต่อเติมไม่ยกผู้กันขึ้นต้องวาดไปต่อเนื่องเป็นเส้นเดียวกันจิตเป็นเอกกตาตลอดแนวทางที่ผู้กันตรวัดไปมาฮูนี้ก็จะศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะอธิษฐานใดๆต่อฟ้าเดินก็จะสมเร็จผลอย่างแน่นอนและรวดเร็ว ปุตติมิเิเลตุรีหนานแน่นในใจเหมือนตกอยู่ในความมืดดังอยู่ในคันมานดาไม่สามารถมองเห็นอะไรอื่นเมื่อจะลดปลายผู้กันลงไปครั้งแรกก็เท่าก็ได้เจาะความมืดให้แสงสว่างส่องเข้าไปได้และเมื่อตวัดผู้กันไปได้วยจิตอันแหลมคมเป็นสมาธิอยู่นั้นก็เป็นการพุ่งพลังจิตไปตามผู้กันนั้น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 หลุดพ้นจากความร้อยรัตของกิเลสตัณหาอุปทานขันท่าเดโมดสิน้นถ้าคิดโดยผิวเผินก็จะรู้สึกแปลกใจเพราะความมีอายุสั้นและอายุยืนนั้นแตกต่างกันอย่างตรงกันข้ามทีเดียวแต่ถ้าคิดที่ลึกซึ้งแล้วก็จะเห็นได้ว่าท่านพูดไว้ไม่ผิดเลยทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนเป็นสภาวธรรมหนึ่งหนึ่งเท่านั้น มนุษย์มักจัดเขาพวกกันบ้างแยกประเภทให้บ้างจนรู้สับสนสลับซับซ้อนไปหมดธรรมดาทารกที่เกิดมาใหม่ๆนั้นหารู้ไม่ว่าอายุสั้นอายุยืนมีความหมายอย่างไรกันต่อเมื่อเติบโตแล้วจึงสามารถแยกแยะความหมายเลือกคุณค่าของสรรพสิ่งโดยคำสอนของผู้ใหญ่บ้าง จิตที่ได้รับการอบรมมาจาชาติบางก่อนๆเป็นชนนี้บ้างตอนนี้เองผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วของเด็กนั้นก็จะเริ่มมาให้ผลจึงได้เห็นความอายุสั้นบ้างอายุยืนบ้างความแตกต่างจึงบังเกิดขึ้นด้วยประกาศนียฉะนั้นถ้าเราไม่ให้ความแตกต่างระหว่างความรวยกับความจนความสุขกับความทุกข์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 คนหนึ่งเกิดมาเป็นลูกคนรวยอีกคนเกิดมาเป็นลูกคนจนถ้าเด็กรวยคิดว่าตนเองวิเศษกว่าผู้อื่นเพราะความรวยกว่าผู้อื่นแล้วใส <c oughs> ก็จะเกิดความลำพองถือเงินเป็นอำนาจบาดใหญ่เ่รวรารานข่มเหงผู้อื่นเอาแต่ใจตนเองส่วนลูกคนจนนั้นถ้าคิดว่าตนเองยากจน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 อดออมถนอมตนไม่นานนักคนจนก็จะไม่จนคนรวยก็ไม่จนอยู่แล้วเมื่อถึงวันนั้นความแตกต่างจากมีได้อย่างไรแม้อายุสั้นอายุยาวก็เช่นกันถ้าเราไม่เชื่อว่ชาชะตาชีวิตได้ลิขิตให้เรามีอายุสั้นเราก็ไม่พอวงถึงความตายตั้งหน้าประกอบกรรมดี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 ความเกิดความตายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของมนุษย์ถ้าเราไม่ให้ความแตกต่างกับสิ่งที่กล่าวมาแล้วใสเราจะเกิดในสภาวธรรมใดก็ตามย่อมจักดารงชีวิตอยู่ได้ด้วยจิตใจที่ปราศจากความกดดันรู้จักดารงชีวิตดีๆตายดีและไปเกิดในสภาวธรรมที่ดีต่อไปทำไมเละเพราะความชั่วร้าย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 อนั้นแต่ก่อนมีชื่อว่าเสียหายในวันนั้นพ่อเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าเลียวฝานเพราะพ่ อ, พอรู้ซึ้งแล้วว่าการสร้างอนาคตนั้นจะต้องเริ่มที่ตนเองไม่ใช่รอคอยโชคชะตามาผลักดันให้เป็นไปตามยะถากรรมพอจะต้องหลุดพ้นจากความเป็นปุถุชนให้ได้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 ทำให้ต้องใช้เวลาเกือบ11ปีคือตั้งแต่พ่ออายุ20ปีถึง31ปีปีคริศสศักราช1569ถึง1579หรือพุทธศักราช2112ถึง2122จึงสามารถรวบรวมการทําความดีได้ครบ 3,000 ครั้ง บังเอิญขณะนั้นพ่อไปเที่ยวนอกด่านเชื้อกับเพื่อนจึงไม่ได้ประกอบพิธีอุทิศบุญกุศลดังที่ตั้งจิตอธิษฐานไว้จนกระทั่งรุ่งขึ้นอีกปีหนึ่งคือปีคริสต์ ศ, ศักราช1 5 8หหรือพุทธศักราช 2,123 เมื่อกลับมาทางใต้แล้วจึงไปนิมนต์ท่านสิ่งคงและท่านหุ่ยคง ซึ่งล้วนเป็นพระเถระที่ทรงคุณวิเศษมาประกอบพิธีอุทิศกุศลผลบุญที่ได้เพียนทําต่อเนื่องมาได้รวม3 0 0พันครั้งตามที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้เดเริ่มตั้งจิตอธิษฐานใหม่ครั้งนี้ขอให้ได้ลูกที่ดีจะทําความดีอีกส0มพันครั้งพอรุ่งขึ้นอีกปีในปีคริสตศักราช15 8เ โดยพุทธศักราช 2,124 พ่อก็ได้เจ้ามาจึงตั้งชื่อให้ว่าเทียนซี่แปลว่าฟ้าประธานเวลาใดที่พ่อไดกระทำความดีทางกายกรรมก็ดีวัจีกรรมก็ดีมนโนกรรมก็ดีพ่อก็จะใช้ผู้กันบันทึกไว้ทันทีแต่แม่เจ้านะ่เขียนหนังสือไม่เป็น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 พ่อนิมนต์พระเถระรูปก่อนมาทำพิธีอุทิศบุญกุศลที่บ้านเราเองและเริ่มอธิษฐานขอให้สอบตำแหน่งจิ้นซื่อได้จะทำความดีให้ครบหนึ่งหมื่นครั้งต่อมาอีกสามปีพ่อก็สอบได้และได้เป็นในอำเภอในปีนั้นเองประมาณปีคริสต์ ศ, ศักราช1586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 จึงได้รับพระราชทานเกียรติยศอันสูงส่งได้รับสถาปนาเป็นจิงเสียนกงหมายถึงพุทธกราบทูลด้วยความสะอาดบริสุทธิ์ใจพ่ออ่านชีวประวัติอันเกลอยเกียรติของท่านแล้วประทับใจมากจึงถือเป็นตัวอย่างอันดี ง, งามที่จะต้องปฏิบัติตามให้ได้เพื่อป้องกันการชำระความของพ่อไม่ให้ด่างพร้อย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 ไม่มีโอกาสสัมผัสกับคนจนเหมือนแต ก, ก่อนความดีหนึ่งหมื่นครั้งเมื่อใดจะทําสาเร็จได้แล้วพ่อก็ด้แจะรับฝังในคืนวันนั้นนะจะว่าบังเอิญหรือไม่เนาะพ่าฝันเห็นเจ้าราองค์หนึ่งพอจึงปรับทุกกับท่านถึงเรื่องที่แม่จะวิต ก, กังวลท่านบอกกับพ่อว่า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 เคยพยากรณ์พ่อไว้ว่าพ่อจะมีอายุได้ห้สามปีเท่านั้นพ่อก็ไม่ได้อธิษฐานให้ตนเองมีอายุยืนยาวแต่อย่างใดแต่ปีนั้นพ่อก็ไม่เป็นไรอยู่มาจนบัดนี้พ่อมีอายุ69ปีแล้วโบราณกล่าวไว้ว่าฟ้าดินนั้นสุดที่จะยั่งรู้ได้จะตาชีวิต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 ทำชั่วก็ชั่วเป็นคำที่ท่านนักปราชญ์โบราณกล่าวกันต่อๆมาจนถึงบัดนี้แต่ใครยังเชื่อว่าสุขทุกนั่นเป็นสิ่งที่ถูกลิขิตมาแล้วอย่างแน่นอนแก้ไขไม่ได้แล้วสายแม้ผู้นั้นจะแสนฉลาดปราดเปรืองอย่างใดเขาก็ยังเป็นปุถุชนอยู่หาความก้าวหน้ามิได้เลย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 ลูกก็จะต้องทำตนให้เป็นที่น่าเคารพยิ่งยิ่งขึ้นทอมเนื้อทอมตนด้วยความจริงใจไม่ใช่เสแสร้งแกล้งทำปากอย่างใจอย่างวดดีวางอำนาจยามใดที่ลูกได้รับยศถาบรรดาศักดิ์อันสูงส่งลูกก็จะยึดมั่นในโลกกระทำนั้นว่าจะแน่นอนเสมอไปต้องเตือนสติตนเองอยู่เสมอว่าสักวันหนึ่ง